เกิดกเสริฐก็จัดการเรียงไม้ฟืนในทันทีนั้นพ่านใหญ่เดินเข้าไปที่กองไฟหยิบดุ่นฟืนที่ติดฟืนขึ้นมาถือไว้เดินตอบเข้ามาคณะนายจ้างจึงเพิ่งจะเข้าใจในทันทีนั้นดารินลืมตาโพรงร้องเสียงหลงออกมาก้ะพินนั่นคุณกำลังจะทำอะไรคนหันอร่อยกว่าหมูหันเขากระชากเสียงตอบพุ่นหุ่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 พอมองเห็นทุกคนยืนจ้องรายล้อมอยู่ก็ยิงฟันผู้กองมีอะไรจะใช้ผมหะครับรานใหญ่หัวเราะหึอห่ อ, อยู่ในลําคอจ้องใบหน้าอันวางเฉย อ, อย่างสนิทนั้นขม็งในคืนที่เราหลับแกตึงและในคืนที่เราตื่นกันหมดทุกคนแกหลับพับผ่าสิมันต้องมีการอธิบายกันเสแล้วเจ้าคนซื่อ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 รอไปให้จบประโยคสิผู้กองคุณคิดว่าเจ้าเงาทรายมันจะบอกว่ายังไงกระถามมันเองดีกว่าครับคุณชัยยันเขายกมือขยี้จมูกตอบมาเสียงคุนคุณตายังจ้องจอมพเนจร อ, อยู่เช่นนั้นเอาล่ะเงาทรายพระธุดงองค์ที่เลี้ยงเธอมาะท่านบอกไว้ว่ายังไงดารินกัดริมฝีปากกลั้นหัวเราะพยักหน้าถามอย่างขันขันเออ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 ระพินกบุญคำอ่านภูมิประเทศเหล่านั้นไปอย่างระมัดระวังทุกฝีก้าวและซุบสิบหารือกันอยู่บ่อยครั้งเวลายิ่งล่วงผ่านไปทั้งพรานใหญ่และตาพรานเท่าแห่งเขาอึมครึมก็ยิ่งทีท่วนขึ้นทุกขณะพอขึ้นสุดยอดเนินเขาลูกนั้นลงไปสู่ไหลลาดอีกฝากหนึ่งเพื่อจะไต่ขึ้นเขาที่ใหญ่กว่าขึ้นไป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 คงจะสำเนีจถึงสิ่งผิดปกตินั้นอยู่เหมือนกันเมื่อตะกี้เสียงเหมือนคนกู่แล้วก็มีเสียงข้างตึ่นเชิดถากระซิบเสียงนกว่าครับพรานใหญ่ตอบมองไปทางเจ้าลูซึ่งบัด น, นี้ขยินกดคอให้หนั่งยองๆ อ, อยู่หลังก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งพร้อมทั้งมีดที่จ่อท้ายถอยได้ร่องรอยอะไรมั้งชายันถาม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 อยาคขุนทางแคบๆเป็นช่องยาวเหยียดตัดไปในระหว่างป่ารกสองากนั้นต้นเหตุของการทำให้นกว่าร้องและข้างทักเมื่อครู่ใหญ่นี้ก็ปรากฏขึ้นให้เห็นตรงตามคำรายงานของเจ้าเกอทุกอย่างสางเขียวสามคนพากันเดินเรียงเดี่ยวชิดกันมาตามทางนั้นเป็นชายชกันร่างล่ำสันแข็งแรงส่วนสูงเพียงไม่เกินห้าฟุต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 สมองสั่งการให้พริกกายกลิ้งหลกแต่ร่างกายดูจะหนักอึ้งไปหมดเพราะเผาวันที่ติดพันแขนขาอยู่นุงหนังรพินบอกกับตนเองว่าวาระสุดท้ายกำลังจะมาถึงเขาอยู่ณบัดนี้แล้วเขามองไม่เห็นอะไรอีกทั้งสิ้นนอกจากสีหน้าใสายแยะทมงงถึงเหมือนพูดผีปีศาจและคมดาบที่เนื้อราอยู่เหนือศีรษะประสาททุกส่วนดูจะ ก, กลายเป็นอมาพาสไปหมด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 ใช้เป็นเส้นทางเดินข้ามเหวได้เป็นอย่างดีแต่ทีละคนโดยระยะที่ทอดห่างกันพอสมควรไม่กระชันชิดนะักระยะที่พวกมันเดินไปไปตัวสะพานสั่นสะเทือนโยนตัวอย่างหน้าหวาดเสียวไว้อยู่วูบว่าทำท่าเหมือนจะพลิกคว่ำแต่พวกมันก็เลี้ยงตัวกันผ่านไปด้วยความชำนาญไอพวกที่เพ่นพ่านอยู่ตามป่า น, นอกพาการทยอยกลับเข้าหมู่บ้านมันหมดแล้วล่ะบุญคาพึมพา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 พร้อมกับถอดกล้องที่กําลังส่องอยู่ออกจากสายตาด้วยความหวาดเสียวสุดที่จะทนดูได้ชา ย, ยันก็ตะครุบกล้องมาส่องแทนจากเล่นย่นระยะอันแทนสายตาของเชษฐาระพิน์และชา ย, ยันอยู่ในลักษณะนี้ต่างเห็นเจ้ามุมบาหมอผีผู้กําลังเต้นวนอยู่หยุดชงงะงักเกือกลกชูแส้ขึ้นเป็นสัญญาณสางขิューจานวนสิบคนเท่ากับเฉลยก็ก้าวล้าหน้าออกมา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 ทุกครั้งที่มุมบายกแท่โบกลงเหยื่อคนต่อต่อไปหัวจะกระเด็นหลุดออกไปในทันทีด้วยใบดาบที่เวียงมาเต็มแรงมันดำเนินไปอย่างรวดเร็วยิ่งแลวคนไปกระเสียงโ h ร้องอย่างปรีดาในายามที่ดาบชัวลงไปพร้อมๆกับศรีรษะหลุดจากร่างชั่วอึดใจเดียวที่ทุกคนตกอยู่ในอาการเหมือนถูกสะกดทำอะไรไม่ถูกนี้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 ระพินยิ้มออกมาได้มองเห็นความหวังในทันทีนั้นเองเงษ า, ายไม่ได้รอช้าให้เสียจังหวะเลยพอลูกแรกระเบิดตูมก็หยิบธนูลูกที่สองขึ้นผ้าเตรียมพร้อมทันทีคราวนี้หมายไปที่หมู่บ้านของมันยิงเขาจุดชนวนอีกครั้งชั่วกลั่นลมหายใจต่อมานั้นเองทมกลางความวุ่นวายโอลมาลของพวกมันที่พากันวิ่งกระเจิง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 เพราะความสันทัสชำนาญในการไต่เขาอันเป็นธรรมชาติของลูกป่าโดยกำเนิดของแกส่วนดารินกับมาเรียนล้มลุกคลุ ก, ลกคลานขึ้นมาด้วยกันพอขึ้นมาถึงก็ลม้มลงนอนหมอบหายใจหอบอย่างเหน็ดเหนื่อยแทบขาดใจไม่สามารถจะพูดอะไรออกเชธฐากับชายยันไต่ตามขึ้นมาถึงเป็นชุดหลังสุดขณะนั้นตะวันรับเหลี่ยมเขาขึ้นไปแล้วอากาศเริ่มขมุ ข, ขมัว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 ซึ่งแลทมืนปานอสูนในท่านั่งเอาหลังพิงเขากลางแสงขมุก ข, ขมัวดวงตาอันเป็นหินทั้งคู่จ้องมองทมึงถึงมาราวกับวิญญาณร้ายเข้าสิงทุกคนพากันหันไปมองอยู่ที่ภาพนั้นราวกับนับกันไว้เป็นตาเดียวแล้วก็ชะ ง, งักงันไปเหมือนถูกสะกดรู้สึกขนลุกชันถึงรู้สึกขนลุกชันแสดงเข้าไปถึงขั้วหัวใจอย่างประหลาด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 บางพยายามจะวิ่งดาหน้าตรงเข้ามาโดยเร็วและบ้างกอง้างคันธนูหมายยิงออกไปยังคณะของเชษฐาที่กำลังพากันเดินไตยอยู่บนสะพานในจำนวนนั้นสองสามคนล้มชักลงไปชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นดินที่เหลือก็แตกกระจายไม่เป็นซําวิ่งเข้าหาที่กำบังแต่มันหมดโอกาสลงซะแล้วเมื่อพรานใหญ่เหลียวมาพบและสอดกระสุนเอจากเรมิงตันสนทบกับ FN ของดาริน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 แต่ที่ร่างอันยืนนิ่งเป็นดุษฎีอยู่นั้นกับปรากฏศกับคลองจักสุกอย่างเด่นชับผู้จริงดารินกระสิบอุทานออกมาแทบไม่มีเสียงพวกตองเหลืองไม่ใช่พวกสารเขียวระพินกระสิบตอบร่างที่เห็นอยู่นั้นยกมือขึ้นโบกเป็นสัญญาณช้าๆแล้วหมุนตัวหันหลังให้ไต่นาขึ้นไปตามทางอันสูงชันนั้น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 ผลระดับเดิมขึ้นมาได้เพียงครึ่งระยะทางเท่านั้นจะพวกหมานรกระลอกแรกก็พากันตามเข้ามาถึงตำแหน่งที่หยุดยืนกันอยู่เมื่อครู่ต่กายเชิงพาแยกเขี้ยวเห่าหอนกรูกเกลียวกันอยู่ที่นั่นพวกมันหมดหนทางที่จะติดตามขึ้นมาได้อีกแล้วหากันวิ่งพรานวนเวียนสูตรกลิ่นอยู่ชุนลมุนโกลาหลบางขณะก็กัดกันเองอย่างดุร้ายบ้าเลือดด่ารินกลืนความรู้สึกบางชนิดลงคอง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 พร้อมกับพูดนอนดึงปืนคืนไปจากมือเขาเสียงระพินสะบทอะไรฟังไม่ได้สับอยู่ในลําคอเหมือนจะสาบแช่งตนเองที่ตกอยู่ในภาวะเช่นนี้แล้วถามด้วยคางที่สั่นกระซบกระทบกันกลาวะ ม, ม, ม, มันมาจากทางไหนครับไปหน้าผาที่เราขึ้นมาเมื่อหัวค่ำนั่นแหละเกลี่ยงไปแล้วทั้งสี่ตัวนอนเกลี่งอยู่นั่นไงโฉบปืนให้ผมครับยาดีกว่าเชื่อฉันเถอะ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 บนวบกระสีร้องอย่างเจ็บปวดยิ่งห่างออกไปเท่าใดโอกาสที่ม่านกระสุนจะแพ่กว้างก็มีมากขึ้นเท่านั้นสองนัดหลังทอดแถเอาสาังขีวทั้งกลุ่มประมาณสี่ห้าคนที่คลานเดี้ยอยู่บนลำต้นด้านที่สูงขึ้นไปเดือเข้าขาบวนกันมาในระยะกระชั้นชิดพลัดหล่นลงมาทั้งหมดบางคนหงายรึงในทันทีบางคนก็เกาะดิ่งกระแดวกระเดวเหมือนนักกายกรรมกลางอากาศแต่แล้วชั่วอึดใจต่อมา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 ในวันที่เราประทะกัมันวันแรกก่อนหน้าที่จะเดินทางมาพบฮอฟมันกามเรียงไงระพินขมวดคิ้วจ้องหลอนตาโตเช่นนั้นครับผมจำเหตุการณ์วันนั้นได้แ้วคุณจำหน้าไม่ได้หรอกเลยนั่นและนังเทียลูกของเกอที่ตายแล้วหลอนมานำทางให้กับเราเมื่อหัวค่ำไงเฮเระพินสะดุ้งอยู่ร้องลั่นออกมาแล้วหัวเราะมองดูหลอนอย่างขบขัน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 แต่ถ้าจะเคี่ยวน้ําเพื่อรอกาแฟจากพวกนั้นน้ําของเราก็หินจะงวดแห้งไปหมดเพราะอย่างเร็วก็เห็นไม่ต่ํากว่าชั่วโมงกว่าเขาจะตามมาพบเราที่นี่อ้าวแล้วต้มน้ำทําไมหล่อนมองดูเขาอย่างงงงงพรานใหญ่ยิ้มยิ้มอยู่เช่นนั้นไม่ตอบว่าอะไรแต่ชูซองเล็กๆสี่ซองที่ถือกำอยู่ในมือให้หล่อนดูดารินซอยเปลือกตาทีทีคว้าไปพิจารณาโดยเร็ว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 อาช่างเถอะฉันเปลี่ยนความคิดแล้วไม่ถามล้หลอนว่าเบนสายตาพระจากเขาเอาท่อนฟืนขีดเขียนอะไรเล่นอย่างปราศจากความหมายบนผนังหินแล้วพินแววตาขึ้นหลบคุณหญิงทำให้ผมไม่สบายใจซะแล้วน้าเสียงนั้นตัดเพอฉันไม่ทำอะไรให้คุณหรออ่ะก็ว่าจะถามอะไรแล้วทำไมไม่ถามล่ะทำให้ผมคิดอยู่นี่เองก็ฉันพิจารณาแล้วว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับใคร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 ที่ใต่หน้าผาลงมาเมื่อตอนดึกสงั์แน่ายกับขยินนำชา ย, ยันงมไปในพงไพรอันเป็นถิ่นสสงเขียวท่ามกลางความมืดมิดของราตรีการด้วยอาการไม่ผิดอะไรกับเงาของปีศาจชยันมีหน้าที่อย่างเดียวคือเดินตามสุดแต่ทั้งสองจะนำไปและเป็นผู้ที่สัง่งตัดสินใจสั่งการเฉพาะหนะ้าเมื่อทั้งสองให้คำรายงาน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 โอ้เป็นห่วงนายหญิงจนบอกไม่ถูกเชีละขอบใจมากนะนี่เป็นห่วงแต่ชั้นหรอกเหรอก็เลยเจ้านายของบุญคมเองละ่ะไม่ห่วงเลยหรือไง้าพรานเท่าเจ้าเล่อ่าปากัวเราะเงือกแดงอยู่เช่นนั้นจำเลืองไปทางเจ้านายของตนบอกอ่อยๆก็ห่วงเหมือนกันแหละแต่น้อยหน่อยถึงยังไงลําพังพรานใหญ่ก็เอาตัวรอดได้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 เหตุการ์มันก็บีบคั้นทรมานความรู้สึกของหล่อนซะจนสุดจะทนทานได้ทุกคนย่อมเข้าใจดีต่างเบนสายตาไปจับอยู่ที่มาเรียอย่างสลดสังเวชพากันนิ่งงันไปชั่วขณะแล้วพิงก้าวตรงไปหยุดอยู่ตรงหน้าพ ญ, ญาสาวของนักสำรวจผู้วายชนเขายอมรับว่าเดี๋ยวนี้เขาสงสารหล่อนเป็นที่สุดมิซิสทมัน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 พิเ็นอะไรขึ้นมาเล่านี่บุญคำไม่ได้มีอะไรอยู่ข้างในนะขืนถอดก็โล่งโถงหมดเท่านั้นโอ้ยผีสางนางไม้วิ่งกันป่าราบก็พาขามาีิโคหัวอยู่นั่นแหละนุ่งแทนเร็วเข้าบุญคำทั้งงงทั้งประหลาดใจทำหน้าเลือกหลักพรพินตาวัดมาเบาๆอีกครั้งแต่ก็บนพึมจัดการปลดป้าขมาีิโคขัวออกนุ่งทับไว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 โอ้บุญคำนะ่ะเป็นพมา่าย่้าเป็นกระเรียงตาเป็นไทยยายเป็นขมุกแต่ฟุ้งลั่นป่าแล้วทำตาปริบ ป, ปรปิหันมากระซิบถามระพินผู้ยืนเท้าสเสวมองอยู่ใกล้อเฮ้แล้วตัวบุญคำเองนี่ล่ละเป็นเป็นอะไรนายเอา้าก็เป็นกรเม็นยังไงละ่ะบุญคำสะดุ้งหยงจำเรืองค้อนพรานใหญ่ประหลับประเหลือกบนอุบอิบ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 แสดงอาการตัดสินใจของมาเรียฮอปมันแปล ว, ว่าคุณจะเดินเข้าประเทศไทยทางด่านแม่ห้องสอนกับสั่งปาเพียงสองคนอย่างนั้นเ่ะชายันเอ่ยมาต่ําๆจ้องหนะ้าเราก็มีกันอยู่เพียงสองคนแค่นี้นี่ชายันรอนตอบอย่างสงบเป็นไปไม่ได้นะเมดารินร้องออกมามาเรียหันมายิ้มให้เศร้า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 ปืนของคุณขอบคุณมากชัยยันรับพินเดินเข้าไปหยิบ460 Weatherby w e t h e r b y Magnum ของดร์ฮอฟมันซึ่งวางพิงอยู่กับซอกโขดหินขึ้นมาตรวจดูคร่าวๆส่วนกล้องขยายสองเท่าครึ่งสภาพของมันสมบุกสมบันอันเป็นลักษณะของเจ้าของแต่ปฏิบัติการของกลไกลและเกรียวในลํากล้องยังใช้งานได้อย่างดีแล้วเขาก็สอบถามเกี่ยวกับกระสุน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 ราคาสูงเมื่ออยู่ในเมืองค่าสูงเมื่ออยู่ในป่า้วยน้ำหนักของหัวกระสุน500เกรนด้วยความเร็วต้น 2,700 ฟุตต่อวินาทีคุณรู้ไหมว่าแรงประทะที่ตำแหน่งห่าง100หลามีอัตราเท่าไหร่เขาถามต่ำขณะที่ชูลูกปืนขึ้นแมมสาวหอไหลลง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 มารยียิ้มจิดจืดตามองที่ชยันเป็นประกายใสขอบคุณค่ะที่กรุณาเตือนฉันจะปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณขเชยันอ่ะพวกนั้นเตรียมอาหารไว้เสร็จแล้วก็ไปกินกันเถอะจะได้พักผ่อนพวกเราก็สบักสบอมมามากแล้วหัวหน้าคณะกล่าวชวนทุกคนขึ้นก่อนออกจากเพิงที่พักมารียคืนเสื่อแจ็กเก็ตฟิลให้ชยันขึนรองเท้าให้ระพินและฝากกางเกงของบุญคา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 ว่ฉันจะไปรู้ได้อย่างไรล่ะก็ไม่ใช่หมอนี่แต่สงสัยเท่านั้นเน่ะตัวเองเป็นหมอรู้ว่าเขาเป็นอะไรก็ทำไมไม่บอกกันบ้างอะเป็นห่วงแล้วก็กำลังฟังข่าวกันอยู่อะยุ่งจริงๆตานี่คนอื่นไม่เห็นก็ถามเลยก็อบอกแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผู้ช้ทั้งหลายจำเป็นจะต้องรู้แต่บอยถามอยู่ได้เอาล้วจะบอกให้ก็ได้ดิสเมนารียังไงพยยามทาหน้าซื่อเกาหัวแกรก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 ปืนลูกซองเก่าคร่ำคร่าของพรานตองสูขึ้นมาดูส่างตาเงยหน้าขึ้นมองเา้าด้วยในตาที่ปราศจากความรู้สึกแล้วถอนปากออกจากกระบอกกัญชาในแหม่มของส่างตาเป็นอะไรไปเหรือนายเสียงแหบเบานั้นถามมาไม่สบายนิดหน่อยไม่ต้องห่วงรอกพรุ่งนี้ก็หายเขาตอบหักหางเด ย, ยวลูกซองกระบอกนั้นแล้วตกปากลําหักลง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 สางปลาบรรจุกัญชาลงปากกล้องด้วยอาการเฉยชาปราศจากความยินดียินร้ายเช่นเดิมนายแม่หมไปไหนสา่งปาก็ไปด้วยถ้าเะ่นนั้นเจ้าก็คิดถูกแล้วปืนของเจ้ากระบอกนี้เขาชูปืนลูกซองของมันขึ้นหัวระ อ, ออกมาเบาๆมันยังใช้งานได้ดีอยู่แล้วบางทีมันก็ยิงออกแต่บางทีก็ยิงไม่ออกแล้วนาย